แล้วเรามานั่งอย่างเงี้ยบางทีเราเราเหมือนเราจะได้บุญนะบางทีเนะี่ยแต่ถ้าไม่วิจัยตามเนี่ยบุญไม่เกิดอีกใช่ไหมแต่มันได้อย่างเดียวแล้วมันได้นั่งหลับแล้วก็แอร์เย็นๆบ้างบางทีเนี้ยกลับไปก็าโรคหลานก็ถามแมวนี้ได้แล้วได้สองตื่นสองตื่นยุ่งเลยตอนเนี้ยทามไม่ได้แค่สองแม่วันก่อนได้ตั้งเยอะลำคานคนข้างๆปกแม่อยู่เรื่อยเล ย, เลยมีลาบากเลยใช่ไหม คือคือตรงเนี้ยเวลาเราจเจริญกุศลเนี่ยจเจริญนี่มันถูกเวลาจเจริญให้ถูกแล้วแล้วกุศลมันจะเกิดไอ้ตรงนี้ที่ามาพยายามให้ข้อมูลมาเนี่ยพ่ออะไรรู้ไหมปราถนาปราถนาให้เราเดินกันเป็นอโลพะใช่ไหมประการต่อไปคืออโทสะอะโทสะเขาแปลว่าความไม่โกรธองค์ธรรมได้แก่อะโทสานั่นแหละอโทสะเจสิกทีนี้อโทศีลเนี่ย ศีลน่ยไปเชื่อมโยงกับขันติสังเกตดูทีตัวขันติสังวรนะ่ะนี่ยเชื่อมโยงกับคำว่ า, าโทสะคือความไม่โกรธนิยมทีนี้ความไม่โกรธเนี่ยนะความไม่โกรธที่เป็นสภาพของของความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยเรานึกว่าไม่โกรธนี่คือไม่พูดใช่ไหมโกรธแทบตายนี่แหละเราไปคิดว่าเราเนี่ยมีขันติ บอกแม้เมื่อวานนี้เราทนได้ถ้าไม่ทนได้พังไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราเราไปเข้าใจผิดไงไปเข้าใจผิดว่าตัวขันติเนี่ยคือการนิ่งแต่ไม่ใช่ว่าคนมีขันติพูดมากนะไม่ใช่นะเดี๋ยวเนี่ผิดจริงเพราะตัวขันติจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวอโทสะที่เป็นตัวข่หมหรเป็นตัวจัดการความโกรธ เป็นตัวจัดการความโกรธฉะนั้นคนที่มีขันติบารมีก็เป็คนที่มีเมตตาเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาค่อนข้างแข็งแรงดีแต่ตัวขันติเนี่ยกับตัวเมตตาบารมีเนี่ยมันมีการแยกกันอย่างแยกก็ถ้าหาเมตตาเนี่ยมันเกี่ยวกับสัตว์มันเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับต่างๆที่มีความรักความในตัวตัวเมตตาความปรารถนาดีดเอือถอนแต่ถ้าขันติเนี่ยมันเน้นความอดทนต่อหนาวร้อนเย็นอะไต่างๆก็ว่าไปมันมันกว้างกว่ามันกว้างไปอย่างนั้น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 ที่เป็นตัวนาของนามธรรมทั้งหลายเขาเป็นประธานของนามธรรมเลยนะถ้าเขาเกิดเาเกิดในฐานะเป็นประธานเนี่ยเเป็นประธานในฐานะที่ว่ามีความหนักแน่นมีความไม่โกรธความหนักแน่นและความไม่โกรธเช่นไม่ล่วงละเมิดเป็นปัจจัยในการที่ไม่ทำให้กายกรรมวจีกรรมเกือก่อนกลลกระจัดกระจายหรือสั้นไปในเบื้องต้นนี่นะที่เป็นศีละนาสับแรกในความหมายแรกเนี่ย เขาทําให้ตัวศีแลน้น้เนี่ยไม่กระจัดไม่ตัวให้กลการบรจีกาบเนี่ยไม่กระจายกระจายให้สังเกต ด, ดูบอกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าถ้ามีใครมาตําหนิมาด่าเห็นไหมมาด่าเราหรือมาทําร้ายเราเนี่ยที่เราไม่ฆ่าเขาเนี่ยเพราะเราอดทนนะเราอดทนได้เนี่เนี่ยความอดทนที่เป็นอโทสะที่เป็นอโทสะเจสิกไปทํางานเนี่ยอดทนแบบมีหน้าตาผ่องใสอันนี้เป็นผลภายนอกนะ ที่แสดงออกมาใจเบิกบานเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยใจเบิกบานแล้วรู้เหตุผลเพราะว่ากลัวเห็นไหมเหมือนช้างวัวบริษัท์มีหลายๆเรื่องที่ท่านยกตัวอย่างมาเนี่ยมีหลายเรื่องมากท่านจะกลัวที่สุดก็คือกลัวว่าถ้ากายท่านแตกแต่ท่านกลัวศีลเองท่านจะแตกท่านกลัวกลัวศีลแตกมากกว่าที่ตอนที่ว่าพพูดถึงในเรื่องของออกรณีที่ว่าพวกบริษัทเนี่ย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 ท่านบอกว่าตอนที่ท่านเป็นพยานนาคนั้นท่านมีราชาสมบัติเยอะพญานนาคเนี่ยจําเปรยะนาคราชเนี่ยในในในนากระพิภพเน่ยเยอะมากแล้วนางนาคที่เป็นบริวารก็เป็นพัน uhh ใช่ไหมรบกวนท่านไงท่านจะไม่สามารถสมาทานอุโบสถได้แม้ความโลภ ก, ก็เป็นปจัจจัยท่านทุศีลได้ไงหรือท่านเกิดหงุดหงิดขึ้นมาเดี๋ยวท่านก็จะเปะ็นปัจจัยกระทุศีนได้เป็นต้นแล้วก็นนี้ก็ความเห็นผิดก็จะเป็นปัจจัยแก่การทาี่ท่านจะทุศีลได้ ท่านก็เลยบอกไม่แล้วมารักษาศีลที่อุทยานของท่านนั่งหน้าก็ตามไปพเนาพนอยท่านโอ้โหไม่ไม่สะดวกเลยไม่สปายะแล้วท่านก็เลยมาพิจารณาว่าเอ๊ะที่ไหนนะท่านกขึ้นมาโลกมนุษย์ได้เลยมาไปเสร็จท่านก็ใส่จอมปวกเห็นไหมท่านก็อยู่ที่จอมปวกงามมากเพราะโพธิสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็งามนะพญา น, นาคเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จริงแต่ แต่เวลาอยู่ในพบของท่านนี่ก็ท่านเป็นมนุษย์นะเป็นเหมือนมนุษย์นี่นะแต่ท่านงามกว่ามนุษย์นั่นบุญดูบุ ญ, บญถ้าพูดถึงในด้านของบุญในประวัติการดีกว่าดีกว่าที่นี่มนุษย์แต่ว่าในปฏิสิทในปฏิสนิการอะไรท่านพลาดเพราะไปเป็นอรรศัศบายสัตว์เป็นสัตว์ดิรัชานทีนี้ตอนที่ท่านไปเป็นพญานาคท่านก็มาพรจอมปวกต่อมาก็มีมานกเนที่ไปเรียนมนต์มาจากตะกตกศิลาเรียนวิชาเกี่ยวเรื่องของหมองูจับ อะไรต่างๆเนี่ยท่านไล่มนได้แล้วท่านมีโอสถที่เป็นพิษพอมาถึงก็มาเห็นพญานาโอ้งามงามไปเสยก็ไลยมนก็อบอกตอนที่ไล่มนเนี่ยไล่มนเหมือนไอ้ตัวเหล็กแหลมวิ่งแทงในรูหูรูหูพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านขดอยู่บนบนจอมปวก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 เคียวโอโถที่เป็นพิษพ่นลาดโอ้โหเหมือนน้ำกรดเหมือนน้ำกรดลาดแล้วก็ไอ้แผลผุพองขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบ ป, ป, ป, ปุตามตัวต้องทนไหมเนี่ยตอนเนี้ยอาโทสะหรือคันตีสังวรเกิดอย่างเงี้ยเกิดอย่างเงี้ยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมต้อง สะอาดนะตอนนี้ยผลท่านจะต้องตรวจสอบศีลของท่านนะ่นแหละตรวจสอบศีลตลอดเวลามีใครประทุษร้ายเร า, <c oughs> เ, ราเราคิดถึงผู้ประทุสษร้ายหรือคิดถึงศีลอ่ะคิดถึงศีลไม่ที่ผ่านมา <c oughs> <c oughs> เอาตัวเราคิดถึงอะไร <c oughs> เพราะ <c oughs> เพราะโพธิสัตว์ไม่ต้องห่วงท่านคิดถูกอามาห่วงพวกเราเนี่ยคิดไม่ถูกเขาใหญ่ยังมาต้องการให้พวกเราเนี่ยคิดให้ถูก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 อันนั้นมันผลโดยอ้อมโดยผลโดยตรงที่ตัวกุศลศีลพัฒนาขึ้นมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเขาใหยังแต่เนี้ยนะเนี่ยประเด็นตรงเนี้ยถ้าไปดูผลภายนอกก็นิยุ่งแล้วเอาเราไปเอาผลโดยอ้อมมาเป็นผลโดยตรงผลโดยตรงเป็นผลโดยอ้อมยุ่งเลยแต่เนี้ยเดินศีลไม่ได้แล้วแก่มามันก็เลยไปให้ความสําคัญกับผลโดยอ้อมมากกว่า โดยตรงที่มันจะเกิดขึ้นในตะัวกุศลศีลที่จะเกิดขึ้นจะแข็งแรงขึ้นจะพัฒนาขึ้นเขาจะยางแต่เนี้ยต่อไปเวลาเราจะปฏิบัติต่อสามีสามีปฏิบัติต่อภรรยาเนี่ยก็เบายดไปใช่ไหมแล้วก็ทำเราทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้เขารักเราหรือเพื่อให้กุศลศีลเราแข็งแรงฮะที่ผ่านมาทาที่ผ่านมา <laughs> ท่าที่ผ่านมา ที่ผ่านมาเนะี่ยโดยมากเราทาเพื่อให้เขารักเราเนะใช่ไม่ใช่เนี่ยมันคิดผิดหรือคิดถูกเพราะว่ามันไปไปมุ่งผลโดยอ้อมเนะีเข้าเนะีเข้าให้สังเกตที่ช่วยคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นกับกลายเป็นคนเครียดเครียดเครียดเครียดกับกลายเป็นคนแย่ลงแย่ลงแย่ลงทําประโยชน์เยอะแยะเไปเสีจนีนะ<ม>กับกลายเป็นคนที่ทุกข์ซะเอง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 ก็พยายามเดินตัวเนี้ยเหมือนเนี่ยเหมือนพระวิหารที่เดท่านพิจารณาเนี่ยทีนี้พตอต่อไปเบสร็จก็โดนโดนเนี้ยโดนยาโอสถที่เป็นพิษหนาเข้าก็ถูกลากเลยถูกทําลายเลยเห็นไหมท่านก็เอาศีลก็ท่านในที่สุดจริงๆก็ไอ้นี้ยมานพนี่ก็ไปแสดงในหมู่บ้านเห็นไหมก็บอกทไอ้ พญานาคนี้แปลงบอกอะไรนี่เป็นสีนั่นสีนี้ได้ล่ะก็หลอกเอาไปหลอกคนอื่นเขาว่าตนเองเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ไงว่าอา้าวจงเป็นสีเขียวอะก็ประกาศวันเดียวนะจะทําให้พญานาคเป็นสีเขียวพญานากคกลายเป็นสีเขียวพญานาคคิดยังไงจะเป็ยพญานาค ก, ก็บอกว่าขอให้หมองูเนี่ยจงมีความสุขฮะ ปราศจากทุกมีใจเบิกบานปรารถนาลาบให้ได้ลาบปรารถนายศให้ได้ยศปรารถนาสารเสริญให้ได้สารเสริญขอให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถิดนี่ให้พรเขานี่นี่ทําได้ไหมมีใครทุบหัวตุม้มขอให้มีความสุขล <B ug> าบางกันนะเนาะ ลมบากไหมลมบากแค่โดนด่านี้แล้วก็โอ้ไม่รู้จะทำะไงแต่ที่สุดจริงๆต้องต้องมาไข้ควรจริงๆเพราะว่าศีลเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยท่านก็ทำไปเรื่อยๆนะเข้าที่แรกเนี่ยพรานหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเออเนี่ยหมองหูคนนี้ก็คิดวา่าได้เงินเท่านี้ก็พอแต่พอไหมคนผ่านความโลภเกิดขึ้นก็ไปเรื่อยๆไม่พอ จนถึงนู้นแหละไปแสดงให้พระราช่าในแหละสิ่งที่เราเคยศึกษาไปแสดงให้พระราชาต่อมาก็ไปแสดงพระราชาทีนี้นางที่ไปเป็นภรรยาของท่านน่ยที่อยู่ในนาคก็ดูดูน้ําไงโอ้นี่โดนหมองูจับไปแล้วเพราะสามีสั่งไว้ก่อนใช่ไหมสามีสั่งไว้ก่อนว่าถ้าน้ําเป็นสีนี้ไปโดนจับไปโดนอะไรโดนนาคโดนอะไร่งถ า, างเล่นงาไอ้โดนพญาคุดเล่นงานโดนอะไรก็สั่งไวไ้เบ็ดเสร็จนี่อ๋อ เขาบริษัทจะรู้เออจะมีฤทธิ์ไงไปก็เลยออกมาออกมาก็เหาะมานั่นแหละก็มาเห็นสามีของตนเองเหาะบนากาศร้องไห้บนอากาศตอนนั้นสามีกำลังพยาหนหกํากำลังแปลงกายแปลงะารตามหมองอูเขาต่อนหน้า พ, พระที่นั่งอะ่ะแกก็เหลียวไปบนากาศเห็นภรรยาลอยบนากาศแก่อายภรรยารือเปล่า ก็ดูี่มีอิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นนะี่ยท่านบอกว่าถ้าท่านถลึงตามองหมอ ง, งูเนี่ยจะไม่เป็นต่อโกเลยถ้าท่านโกรธนเนยจะเอานครนั้นทั้ง น, นักครนห้พังพิราไปยังได้เลยเผาได้อะฤทธิ์ของท่านเนะ่ยแต่ท่านไม่ทำเพราะกลัวศีลท่านจะแตก ท, ท่านก็อายภรรยาก็หดเข้าไปในกรงหดเศษกระมวนอายพระราชาก็อแปลกใจ พอพิจารณาไปพอเห็นโอ้เห็นเห็นเห็นภรรยาด้านก็เลยเชิญมาแล้วก็ผู้จาก็ลุงรู้อ้าวมองงูไม่ได้มีฤทธิ์จริงนะเลยแต่ก็พระราชทานอะไรให้นะเบ็ดเสร็จก็เลยนี่ก็เลยมาแปลงเป็นมโ น, นหนุ่มแล้วก็มาเป้าแล้วก็พากันไปเที่ยวที่นาขวีพบแล้วก็ให้สมบัติในนั้นมาเป็นตัวเราเนี้ย แก็แนะนําให้ตั้งอยู่ในทศวิราชธรรมเป็นตัวนี้นะนี่คื อ, ค, อ, ค, อคือที่ไปที่มาของการบำเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิสัตว์อันนี้ถ้าหากเราจับประเด็นตรงนี้ได้เราก็จะได้ได้ได้ความหมายของว่าพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยไม่โกรธที่ไม่โกรธเนี่ยก็คืออโทสะเนี่ยอโธสะเจตสิกเนี่ยหรือขันติสังวรเป็นตัวเหเป็นตัวเกือ้อกูลกายกรรมวจีก ร, กรรมและมโนกรรมเห็นไหมตัวกุศลศีลมันเดินได้ในลักษณะอย่างนี้นี่คืออโธสะ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 สัมมาสมาธิอันนี้อยู่ในกลุ่มของส ม, มาถะหรือส ม, มาธิศิกขาส่วนสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปรานี่ก็เป็นปัญญาศีล ส, ส ม, มาถาวิปัสนาฉีกออกกันได้ไหมไ ด, ได้ไม่ได้ไดงั้นในข้อปฏิบัติจริงๆฉีกได้ไหมเช่นเราจะเดินปัญญาก่อนเดินศีลที่หลังเดินศีลก่อนเดินปัญญาที่หลังเนี่ยได้ไหมเห็นไหมจริงๆแล้วเขาเกื้อกูลกันยังไงนี่ต้องเข้าใจนะอย่าไปฉีกองค์มาก เวลาเราเรียนหนังสือกันเนี่ยเราจะเรียนเป็นเล่มกันนะพี่เีอ้าวเรียนศีลกันก่อนต่อมาก็มันมีสมถะอีกเล่มหนึง่งแล้วก็วิปัสนาอีกเล่มนึงไปกันเลยทางเลยตอนนี้จริงๆแล้วมันเป็นชื่อขององค์มร์นะองค์มร์แ8ดอย่าไปฉีกองค์มร์เวลาจะปฏิบัติเวลาจะประชุมสิกขาสามคือศีลและสมาธิปัญญาเป็นต้นอย่าไปฉีกกอกจากกันโดยข้อปฏิบัติใช่ไหมไปฉีกได้ยังไง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 พากองทหารมาเนี่ยรายละเอียดต่างๆนั่นน่แล้วอยู่ต่อมาก็เกิดที่ว่าที่ท่านเล่าเองพระพุทธเจ้าเล่าว่าเมื่อพระราชามาแล้วเบ็ดเสร็จก็มีการที่จะยิงลูกธนูยิงลูกศ่อท่านในฐานะเป็นหัวนหน้าจ่าฝูงเนี่ยนะท่านก็โดดโดดจากต้นมะม่วงแล้วก็ที่ขอไผ่ท่านก็ใช้ปากกัดเทวันดึงเทวัน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 บรรดาบรรดาวานนลิงมาถึงก็โหพยาใช่ไหมทำความเคารพข้ามเหยียบค่อยๆวิ่งไปคำลบข้ามวิงว่งวิ่งวิ่งไปเงี้ยก็ลิงลิงที่เป็นพานตัวหนึ่งไม่ทำอย่างนั้นอกตัวสุดท้ายวิ่งขึ้นยอดโมโม่ <c oughs> แล้วก็โดดเ <c oughs> ลยกระโดดลงมา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 แต่ไม่เห็นศีลคุณไม่เห็นสมาธิคุณปัญญาคุณของท่านแล้วก็เดินไปก็ไม่เดินเปล่าๆขยม่มขย่มไปเรื่อยๆกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆแล้วก็จะขึ้นไปแล้วในส่วนจริงมือท่านก็ร่วงตกมาเนี่ยแล้วก็พระลาวชาก็แล้วต่อมาก็ในกรณีที่ว่าท่านก็สอนพระลาชาเรื่องเป็นหัวหน้าเรื่องเป็นพุ่นำเรื่องคุณธรรมตัสพิดอะไรต่างๆเหล่านี้ ควรถ้าเป็นหัวหน้าก็รับผิดชอบเก็ว่าไปแล้วหนสุดก็ท่านก็ตายตรงนี้แปลว่าท่านไม่โกรธเห็นไหมขันติเห็นไห ม, หไหมท่านรักศีลของท่านอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้นะศีลของท่านเนี่ยประเสริฐประเสริฐท่านไม่เสียดายเลยแต่ท่านเสียดายมากถ้าศีลท่านจะแตก เราลองมาพิจารณาดูในลักษณะอย่างนี้ดูเดี๋ยวถ้าเราจะมีความรู้สึกเสียดายศีลจริงๆรักศีลจริงๆเนี่ยมากกว่าชีวิตขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะเริ่มชัดขึ้นว่าศีลมันสําคัญเพราะเป็นปฏิบัตาเป็นเครื่องดําเนินของพระโพธิสัตว์เป็นปฏิบัตาเป็นเครื่องดําเนินของของคนที่มีบุญ ต, ต้องการที่จะออกจากสงสารวัด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 จะเป็นตัวเกื้อกูลกระแสชีวิตของเราไม่ตกละกําลำบากอย่างที่บอกว่าในชีวิตที่เราจะต้องเดินทางไปในสังสารวัตเนี่ยอันหาเบื้องต้นและที่สุดยังไม่ได้เพราะเป้าหมายมัยังไม่ชัดเนี่ยถ้าตราบใดเราทิ้งศีลเราวิบัติวิบัติเลยเราจมเลยในสังสารวัเราจะเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดเนี่ยมันเจ็บปวดอย่างทรมานด้วยนะ ไอ้ตรงนี้ถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้นตัวกุศลศีลนั่นเองจะเกื้อหนุนกระแสของชีวิตนั้นไม่ให้ตกไปในใบยภูมิแล้วก็ไม่ให้ตกไปในสังสารวัฏถ้าเราพูดตามศาสต์เขาเรียกว่าปาตีนะแปลว่าตกนะปาตีเลยแปลว่าตกไปตกไปในใบยภูมิก็ตกไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตและสุรกายแล้วตกไปในสังสารวัฏเขาจึงเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายนั่นเป็นปาตีปาตีปาติที่ตกไปในสังสารวัฏตกไปในใบยพูมนั่นเอง ทีนี้ถ้าไม่ต้องการให้เป็นกลุ่มปาฏิ์ตีทั้งหลายก็เหลือปาฏิโมกต์สั้งวรแลศีลเป็นต้นเนี่ยก็คือมีมีปาฏิโมกต์สังวรแลศีลก็มีเกี่ยวในเรื่องของศีลสังวรมีสติสังวรเป็นต้นอะไรนี้มาประชุมเสี้และเรากระแสะชีวิตของเราจะได้ไม่ตกไปในใบภูมิและตกไปในสังสารวัตรและจะได้เป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกนเนี่ยนะฉะนั้นในด้านของอโทสานี่คือความไม่โกรธเป็นศีล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 เขธรรมชาติเขากระตุ้นเตือนชักนำสมัมยุทธธรรมนี่จัดแจงภาษาให้ทำรรกิจของภาษาจัดแจงสัญญาทำรรกิจของสัญญาในการจำอารมณ์จัดแจงเวทนาทำกิจเสวยอารมณ์จัดแจงจัดแจงพวกกลุ่มอะโลพะคือไม่โลภจัดแจงอโทสะคือไม่โกรธเป็นต้นเนี่ตัวเจตนาตัวนี้เป็นตัวกรรมในขณะที่เขากําลังจัดแจงนามธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบเขาเนี่ยเป็นสอาชาตกรรม เขาเรียกเป็นสาชาตกรรมเขามีหน้าที่กระตุ้นเตือนชักนํำทำที่เกิดร่วมกันกับเขาให้ทํากิจตามหน้าที่ของตนของตนโดยการน้อมรับอารมณ์ทางตาบั้งทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้กลุ่มนามาทําเหล่านี้ก็ก็ถูกเจตนากระตุ้นใช่ไหมใช่ทีนี้เจตนานี้กระตุ้นเบ็ดเสร็จแล้วก็ทํากรรมศาสตร์ก็ทํากรรมทางใจทํากรรมทางวาทางวาจาบั้งทํากรรมทางกายบ้าง